ร yeah. ังธรรมกันวนะ่าเพือให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติเรากําลัางศึกษาปฏิบัติทำกันอยู่การศึกษาปฏิบัติทำไ ด, ได้อ่านตำลับตำลาก่านอ่านตำลับตำลาหรื ว, ว่าสุตตะมยปัญญา าจะเกิดปัญญาได้เมื่อใดคิดใหะเหตุทาผลใช้สมองถ้าคิดทางเหตุ้าผลก็เกิดจินตมยะปัญญาได้แต่ปัญญาภายนอกๆ น, นี่เรามาศึกษาเรื่องภาวนามยะปัญญาเอาของเท็ของจริงมาสัมผัส เราก็มีกายมีจิตมีใจก็เกิดปัญญาที่เป็นภาวานาระยปัญญาได้เป็นปัญญาแห่งการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาแห่งการเกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากความชั่วเป็นความดีจากความผิดเป็นความถูกทั้งหมดของกายของใจได้ใจได้ ปัญญาที่เกิดจากคุกเหตุพบผลที่เห็นความเท็จความจริงเกิดขึ้นในคราวเดียวกันตามนาเปียปัญญานี้เราตั้งต้นจากมีสติไปในกายมีกายจริงมีสติคือความรู้สึกตัวที่อยู่จริง สติไปลงพื้นที่สัมผัสกับกายถ้ามีสติเป็นที่ตั้งอยู่ที่กายแล้วอะไรเกิดขึ้นมาก็จะรู้สึกว่ามันคนละรูปแบบที่มันใช่สติเป็นเจนฑ์ที่วัดสตินี่เป็นเจนฑ์ที่วัดความผิดความถูกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเราจะได้คาตอบ การได้คตอบจากนี้เรียกว่าเหตุว่าผลเห็นเหตุเหนผลเห็นเหตุเห็นปัจจัยเป็นความรู้จักตัวเป็นกรรมฐานเราเป็นการกระทำที่มีที่ตั้งเอาไว้อยู่ตั้งไว้ที่กายนี้เราว่าอยางนี้เราศึกษาอย่างนี้ แล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นมากับกายกับใจล้วก็เห็นว่ามันมเหมือนความรู้สึกตัวอันหนึ่งก็เป็นนั้นหนึ่งอันหนึ่งเป็นนั้นหนึ่ ง, อนนงสองผัดดูให้คราวเดี๋ยวก่อนจิต ท, ที่มันเกิดขึ้นมาไม่ได้ศึกษามันเกิดขึ้นมาเองแต่ความหลงเกิดขึ้นมาเอง คามขี่เกียจชี้ขาดเกิดขึ้นมาเองความขยัขผนผันแปนเกิดขึ้นมาเองต่อบทุกความทุกเกิดขึ้นมาเองอะไรที่มันไม่ตั้งใจมันเกิดขึ้นมาให้เราได้เห็นเมื่อเราได้เห็นแล้วเราก็ได้รู้ได้กับบาลู้ในข่าวเดียวก่อนได้กลับบาลูในข่าวที่มันไม่รู้ทุกข้องอะไรที่เกิดขึ้นมา มีความรู้สึกตัวเป็นเจนที่วัดได้รับรู้เดียนรู้ประสบการณ์ทุกรูปแบบนี่วิชากรรมาฐา น, นาภาวนาภาวนาคือขยันรู้เอาไว้กรรมาฐานมีที่ตั้งให้มีความรู้เป็นหลักเป็นเจ้าถิ่นเป็นเจ้าของเอาไว้มี สติเป็นเจ้าของกายเอาไว้มีสติเป็นเจาของกิตใจเอาไว้จะให้มันไปตามที่เป็นสิ่งอื่นมันก็เป็นสิ่งอื่นมามากแล้วกายก็รับใช่ทุกสิ่งทุกอย่างกิจใจก็รับใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง อะไรที่เคยผ่านมาใช่กายใช่ใจมันก็จะผ่านมาใช่กายใช่ใจเหมือนเดิมมีรอยลอยคองมสุกก็มีรอยความทุกข์ก็มีเกิดขึ้นใเกิดที่กายที่ใจลอยความรักความเกลียดชังก็มีรอยโกโรธโลกหลงก็มีลอยได้รอยเสียรอยพอใจลอยไม่พอใจมีเพราะมันใช่ กายใช้ใมาผิดไม่ถูกต้องมาหลายอย่างตั้งแต่วันเกิดมาจนถงวันนี้แล้วก็จะได้เห็นมันเมื่อมีสติเป็นที่ตั้งเอาไว้แล้วจะได้คำตอบทุกเรื่องตอบถูกทุกอย่างวความหลงไม่จริงความรู้สึกตัวจริงความคิดที่วันคิดไปโน่นไปจริงความรู้สึกตัวนี่จริงให้ทำอย่างนี้ มันดึงไปก็กลับมาการกลับมารู้จักตัวทุกเรื่องทุกรูปแบบนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมมันต้องมีงานทําแบบนี้กรรมาฐานงานการที่การกระทํามันมีอยู่จริงกรรมาฐานตามรูปแบบของสติปัฏฐาน4ี่ี่เจ้าแ ย, ย่ในกายในใจเรานี่เอามาใช้เป็นกรรมาฐานทั้งหมด คือผมรู้สึกตัวต้องไปทุกเรื่องลมหายใจก็เรียกว่าใช้ได้เรียกว่าอาณาปปัผะรู้สึกที่ลราหายใจก็ได้สามปัญญาปปพผะก็ใช้ได้ตามรูปแบบของที่เราฝึกอยู่นี้เคลื่อนไหวมือสิจังหวะเจตนาให้มันรู้สิบสี่ครั้ง แต่ละครั้งทุกวินาทีนี่มีที่ตั้งอย่างนี้อยลีบับพระแยกๆกนน้อยแยะๆเกิดจากกายแล้วก็มีมากมายที่เราจะได้เห็นวันที่เกิดขึ้นมาไม่ได้สร้างไม่ได้เจตนาไม่เกิดขึ้นมา เขาก็จะได้รู้ได้บทเรียนเยอะแยะมากมายจึงได้เรียนได้ประสบการณ์ได้เห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกผานหน้าผานตาผ่านตาภายไในคือสติสติเป็นดวงตาภายใดเห็นแม้กระทั่งความคิดเห็นกิเลสตัณหาได้ทั้งหมดมันจะต่างกับความรู้สึกตัวอยู่ ว่าจะเราต้องต้องใหนมั่นให้มีงานในการไว้พรมเหมือนคนทำงานต่อทำงานมันต้องมีอะไรที่เสร็จไว้บ้างต่ทาทำงานไม่เสร็จไม่มีในโลกนี้ตำ น, น, นานาก็เสร็จเกี่ยวข้าวข้าวก็เสร็จจากบ้านบ้านก็เสร็จเมื่อมีการกระทาเกิดขึ้นแล้ว ความรู้สึกตัวมันทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นกว่ากับจะเสร็จลงไปได้เสร็จลงไปได้จากความรู้สึกตัวมันไปกอะเป็นกับขึ้นมาเป็นฉินเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นม า, เ ป, น เ, ปนาเป็นมากเป็นผลนั้นก็เราทำนาเราถาหาพรวนดินปักต้นก็แต่มันเป็นต้นไม่เล็ดข้าว มเลี้ข้าวมันก็มากินเป็นเลือดเป็นเนือ้อเป็นชีวิตได้ชีวิตการเจรินสติมันได้ชีวิตที่ไม่เจ็บไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายการกินข้าวมันได้เลือดได้เนื้อได้ชีวิตที่มีการเกิดเจ็บเจ็บตายมันจะรู้สึกว่าโออชีวิตของเราม่มีส่งอย่าง ชีวิต่เดินได้เอาไว้เป็นที่อาศัยให้สร้างให้เกิดความสาเร็จจากชีวิตที่มันต่อยอดไปเหนือการเกิดเกจ็บเจ็บตายมันต้องอาศัยชีวิตอ น, นี้อาศัยรูปอาศัยนามนี่ที่มันมีลุดมีก้อนนี่เอามาเป็นที่อาศัยให้เกิดความรู้จักตัวมือวางไว้บนเขา่ารู้จักตัวมันมีรูปมาทําอย่างนี้มันมีนามมารูุได้ ตย อ, อดใหมันมีความรู้ต่อยอดให้มีความถูกมันเกิดผิดมันมต่อให้มีความถูกต้องมันทําได้เราเชื่ออย่างนี้เชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตวที่ประเสริฐพัฒนาได้ตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราเน่ยสามัญชนเกิดเป็นพระพุทธเจ้าได้เราจึง ศรัทธาตัว น, นี้แน่แน่ที่สุดเลยแล้วก็ยกมือเราขึ้นดูจีเราก็มีโหทิเครู้จักตัวได้เช่นเดียวกันก็เชื่ อ, มอเมื่อเชื่อเราก็มีงานขึ้นมาก็ประกอบขึ้นมาได้เจ็บความรู้ได้สัมผัสความรู้สัมผัสความรู้เกิดความพยานขึ้นมาเกิดความภาเพยียรขึ้นมา เมื่อมีความเมื่อมีความรู้ <c oughs> ไปเฉลยสิ่งที่บางเกิดขึ้นมาสิ่งใดผิดก็เป็นสิ่งที่ถูกไปบทผมรูจากตัวเป็นเนกณฑ์คี้วัดโดยที่ไม่ใช่เลี้ยวใช่แรงมันสำเร็จเป็นเลยเช่นเรามีสติเห็นความคิดที่มันคิดขึ้นมา มีสถิเป็นกายเห็นขีพมคิดเกิดขึ้นที่จิตใจเป็นทวารของจาจความคิดนั้นมีสติเห็นเห็นข้างดึงอาจจะ น, นกจะลากเราไปเั็นแมวตัวเล็กจับหนูหนูตัวใหญ่กว่าเอาววาเถียงไปเปรียบเทียบอย่างนาั้นแมวตัวเล็กจับหนูตัวใหญ่ จับไม่อยู่หนูพาราดไปแต่เราต้องเลี้ยงแมวให้โตให้ใหญ่การเลี้ยงแมวคือใส่ใจประกอบวามเพียรมิสติ ใ, สให้รู้สึกตัวบ่อยๆจิตมันจะแส็งแรงขึ้นต่อไปก็เห็นความคิดก็หยุดทันทีหยุดได้ทันที ไม่ถึงกับเป็นสุขไม่ถึงกับเป็นทุกข์เพราะความคิดถ้าจิตจน้อยชอบจิตอ่ อ, อ, อนมันก็ลากไปเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดผิดถูกพรความคิดอย่างความคิดพาผิดพาถูกอย่าความคิดพาสุขพาขทุกข์ถ้ามีจิตแข็งแกร่งขึ้นมาเป็นมหาสติปปฐฐานมากขึ้น ตรงนี้จะเกิดไหลขึ้นมาเนี่ยพอเห็นมันคิดมันไม่ใช่เห็นคิดเฉยๆหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้เหมือนเราจะถึง ส, สร้างลอยหลงโพเทียนไว้มีสติเห็นกายเคลื่อนไหวมีสติอยู่กายเคลื่อนไหว มีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดตึกเห็นใจที่มันคิดอยู่ดีๆอ่ะมีสติเห็นการเคลื่อนไหวอยู่ดูการเคลื่อนไหวอยู่ตอนความคิดไปจิตนามันโผล่ขึ้นมาตัวสติมันก็เป็นเจ้าทินผู้ถิ่นผู้ประตูอยู่แล้วมันเข็งแก่งมีอำนาจเป็นธรรมที่ดูแลกายใจมานานหลายวันพอความคิดเกิดขึ้นที่มันมาเป็น อาการตุกะจวนมาใหม่ครับพอรู้จุตัวจับได้เร็ทันตรงนี้เหมือนจับโจคนพลายได้ขาหนังขาเขาก็จำนวนยอมสรภาพหมดเบือกพ่ายแพ้ชนะตรงนี้เกิดคาว่าเชือกขาดเชือกขา ด, ขาดตรงนี้ ถ้ามีความคิดอยู่นั่นลหละใช้ได้เป็นคู่สกคู่ซ้อมของสติจสตติจะแก่ก้าวขึ้นเหมือนแมวตัวเ mm hmm. ล็กก็ยอมภาวนาขยันรู้เข้าไปเหมือนแท้อาหารแมวให้แมวตัวโตโตแมวก็จับนู่เดมมันยำทะทีเลยชกตายก็มีตัวพวกมันมีความเป็นใหญ่ อันที่เป็นธรรมเกิดขึ้นธรรมย่อมชนะธรรมอยู่เสมอเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถ้ามีความคิดเกิดขึ้นในทิศกะลาที่เราจเจริญสตินั้นนั่นแหละนั่นแหละมันจะเป็นผล ส, สาเร็จอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อเราทํางานอะไรที่มันเห็นที่ไม่เป็นงานที่เราทำอยู่มันก็มันก็ก็ตื่นรือหล่น นั่นเป็นงานของเรานั่นเป็นงานของเราตนนั่นก็ทำแล้วตรนนี้ก็ทำแล้วจางีินอกจากความคิดก็มีอะไรเยอะแยะที่มันเกิดขึ้นมาอันอื่นก็ค่อยอ่อนไปตัวสมุทัยตัวสังขารนี่เป็นหัวหน้าของกิเลสตหาท่านปวง ก็เป็นสติกับความหลงในคู่กันตรงหน้าตรงตากันพอดีพอดีเลยทีเดียวปฏิบัติตงปฏิบัติดีทีหละทําให้เกิดเป็นสังข์ข้าเข้นมาหวมร่วมมือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบั ต, ติตออกจากทุกข์หลงเป็นลูกออกมาจากความหลงป้ทุกข์เป็นลูกอ๋อ โอเป็นลู่อะไรมาเป็นลู่นี่ปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติเป็นสถาบันเมืเ่อมจิตชํานาญเรื่องการมีจิตปนในการเป็นสถาบันเลยบัดยิ่งบัดปฏิบัตสิสมควรส ม, มสม่ำเสมอง่ายๆเลยบัดง่ า, งาที่จะไม่หลงอยากเขียนหลงอยากเขียนทุก มันไม่มีเพราะเป็นสถาบันแล้มันจบสถาบันก็คือการเดินจบเรื่องกายเรื่องใจได้อรากิดก็ไปอะไรเกิดจากจิตใจจบได้ข่มหลงไปข้าตสุดท้ายได้เคว่มทุกข์เป็นข้าตสุดตายได้ความโกรธเป็นขฆาสุดท้ายได้ ตรวทั้งความเจ็ความเจ็บ ค, ม, คมตายไม่มีสำหรับขั้งสุดท้ายถ้ามีความโกโรธโลบบำครขั้งสุดท้ายนั้นปลุกเบิกไปเป็นขั้นเป็นตอนทำลายอากุศลลงเหมือนกันเหมือนกับเรือจากทิศทางเหมือนกับ ปราบสิ่งที่มันไม่ดีให้เรียบลงก็สามารถเกิดขึ้นไหลก็ได้ในกณะที่มันเรียบลงความไม่ดีสงบลงความดีเกิดขึ้นเราสิงที่ปราบกุศลทั้งหลายน่ะคือผลของสติคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาชินก็นกําจัดกิเลตอย่างหยากครีความโกรธโลขลงเนย เพราะปฏิบัติปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากกข์ก็เกิดสมาธิขึ้นมากวามจัดเกลื่อยจางกลางกลางเป็นนิวอนละทำปกุค้คุณคิดยินดียินลายมัวเมาหมดไปได้สมาธิสมาธิ ที่เป็นสม า, สมาธิสงัดแล้วจากกามทั้งหลายไม่มีค่าศึกศัตรูเลยวันเป็นอนุสัยเป็นนิวรนธรรมมันก็สงบลงหรือว่ามีสมาธิไม่ใช่สมาธิแบบนั่งหลับตาเป็นรูปแบบมันสงดจากกามทั้งหลายจากอุปสนทั้งหลายสงบลง มันต่อ ป, ประสินเป็นสมาธิเป็นปัญญาสตินี่เป็นที่เกิดของสินเป็นที่เกิดของสมาธิเป็นที่เกิดของปัญญาสินเป็นพื้นที่ให้เกิดตรจิตขาเหมือนปราหญาติวนดินถไถนาแล้วก็เหมาะที่จะปลูกพืชขึ้นมาได้ จะ ป, ะปัญญาเกิดอนุสัยระหว่งป่าอนุสัยที่มันเป็นอนุสัยที่มันเลือกตึ้กลงไปมันก็หมดไปอย่างนี้มันมีอยู่ในชีวิตของเรานี่ยมันเห็นอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นเช่นมีสติก็เห็นทุกเรื่องที่มาเกิดกับกายเกิดใจเรานี่ แล้วก็มีงานทําแบบนี้น่าจะขยันมันเป็นกรอบเป็นกรรมขึ้นมาก็ทําได้ทุกรูปแบบสิที่มันเกิดกับกากับใจไม่ใช่เหงื่อไหลยข ย, ย่อยอะไรทาความเห็นให้ถูกต้องในทุกอย่างถ้าถึงภาวะที่มีสติดีแล้วเข้าถึงศีนสมาธิปัญญา เกิดมาเกิดผลเกิดมาเป็นวิธีปฏิบัติยึดถูกูถูกต้มถูกกางานชอบขึ้นมามากไปเป็นสายเป็นแนวทางไปงานชอบขึ้นมาอะไรก็ชอบขึ้นมาเุ้กลุด หลงเงินแสงทองขึ้น <c oughs> ความที่เกิดความสว่างและยอดใหม่ขึ้นมาชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้ที่เป็นมนุษย์ที่มาัตประเสริฐเนตัความคิดเป็นชุดของความคิดแค่นี้ <c oughs> เสียชาติเนาะให้ความชีวิตไปหอดไปแสนไว้กับความคิดมันเป็นใหญ่ก็จึงความคิดเนี่ยแต่ใจญ่แบบพาเทืองเราจึงสร้างความเมาทำให้เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยเราเหมือนทำเกิดขึ้นจาก <c oughs> สติบัฏฐานเจ้าของกายเจ้าของใจดูแลกายดูแลใจเจ้าของบ้านรักษากายดูแลกายใจกุ้มคุ้มได้ไม่ปล่อยทิ้งแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยดูแลกายใจปล่อยทิ้งไปป่อยให้ลักป่อให้ฉางขอให้ไหลไปกัางคืนเป็นวักลางบันเป็นเปลว ต่างเกนก็ว่าฝันกลางบันก็ว่าคิดส้ำสอนเป็นโศพินีกายเป็นโศพินอีใจอะไรจะมาใช่ก็ได้ชั่วมาใช่ขนาดไหนก็ได้แรงก็เห็นก็ได้โกรธดาบหน้าบึาบง้งเทงเครียดดุดาว้าเก่าขมวดกระตอมอะไรมันมาใช่กายทำอย่างนั้น ลอยเมืองขวาที่จะเป็นประโยชน์เพื่อกูลตอดอ๋อยเองถ้ามันดีไงเวลาโกรธเลยจิ้นข้าวก็ไม่ลงนอนก็ไม่หลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในความโกรธที่มันมีอยู่เลาลอยในใจค น, น, นอุ้ยเสียดอยผิดพลาดมามากเสียเปียกความทุกข์เสียเปียกความโกรธอะไรที่มเป็นข่าของเราเนี่ยมันมีอยู่นะย เลาเกิดมาเจ็เจ็บตายเขาล่องห้ยเจื่ยใจไปยอมรับจำนอนอยู่นั่นเลยมันไม่ใช่อย่าง น, านั้นใกชีวิตของเราเลยมันเป็นสั์ประ เ, เสริฐไหลงทำไมมีประโยชน์อะไ ร, รากความหลไปโกรธทำไมมีประโยชน์อะไรจาความโกรธไปทุกข์ทำไมมีประโยชน์อะไ ร, ราความทุกข์ไ มาศึกษาลองดูเถอได้จะได้อิสระจะไม่มีพิษมีภัยเกิดกับกา ย, ย, ยกับใจนีแต่สินมีแต่ทรมแต่มรักแต่ผลเกิดขึ้นมามองไอ้ก เ, เห็นรู้จักเห็นแจ้งทั้งหมดได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากกายได้ประโยชน์จากจาิตใจ ได้ประโจชน์จากตาจากหูจมูกปีนปอุปกรณ์เป็นวัตถุให ไ, ไดเกิดเป็นมรกคเป็นผลขึ้นมาใช่เป็นใช่กายเป็นใช่ตาเป็นใช่หูเป็นใช่ใจเป็นแต่ก่อนมันใช่เราแัดนี้เราใช้มันแต่ก่อนไม่อยากคิดมันก็คิด ไม่อยากคิดมันก็คิดหยุดความคิดไม่เป็นเป็นทุกข์เป็นโศก น, นอนไม่หลับกินไม่ลงเพราะความคิดนีอยู่ในชีวิตของคนนี่แม้บางทีข้าตัวต่อยเพราะความคิดข้าคนอื่นต่อยเพราะความคิดทําบาปทํากรรมเพราะความคิดมีมากถ้าดีไม่ใช่ ตัวเช่ต่นอะไรทำตามมันบางทีก็เสียคู่เสียคนเห็นหลายชีวิตนะลูกชายฆ่าพ่อส ม, มัยล้งตาอยู่มึงเลยลูกชายโกรธพ่อได้เล่าได้ฟังจากนางเมียไปเล่าให้ฟังว่าปูดา่ด่า ขับมอเตอราออกไปไล่ไปหาสามีทาไรล่าปูดาอองง่ายไปลูกชายก็ทําว่าอยู่ในป่าขับรถตามกันมาไม่ฟังเสียงอะไรเลยปูก็ต้องหลอตอกอยู่บนบ้านกบพายพืนที่พายมากเดี๋ยวยิงปูโบมือบังหน้าไว้อย่ายิงอย่ายิง ไม่ฟังคนชาว บ, บ้านก็เห็นแล้วปืนถูกลูกปืนถูกมือแหลกไปถูกไปหน้าตายลงล้มลงทันทีพอ เ, เห็นพ่อล้มลงตายลงไปจริงๆเาคิดใจมันเปลี่ยนไปทิ้งปืนวิ่งขึ้นไปบนบ้านโกรธอัล่องห้อย่างนี้ก็ม่เ ม, มืนกัน หยัดศพพ่อเรียบร้อยแล้วไปมอบตัวข้าพ่อตายนี่มีเหมือนเชี้อเปรีบวามโขดดังนั้นก็อาจจะเป็นบทเรียนที่มันรุนแรงเกินไปรามาป้องกันเสียดีกว่าการเชย่ขันปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจบได้ อันความชั่วที่เพิงเกิดกับกายกิดใจคนจะไม่มีนะ่ยเมื่อความชั่วเกิดจากกายจาใจของคนไม่มีนะเกิดอะไขึ้นมาก็าเกิดเปรียบโวยขึ้นมาจากคนคนหนึ่งมากมายถ้าไต่ศึกษาไม่เคยความดีขึ้นจากคนคนหนึ่งก็เกิดอะไรที่เสียหายจากคนคนหนึ่งมากมายเหมือนกันเรื่องเราก็เห็นอยู่เช่นพพุทธเจ้า อุบัติขึ้นเพียงพระองค์เดียวจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้โอ้เกิดความดีเกิดขึ้นจากคนปฏิบัติสุดยอดจากสมชนสามารถเป็นพุทธะได้แล้วก็เห็นลอยอยู่เห็นเครื่องทรงพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ไม่เห็นพระพุทธองค์โดยรูปโดยพระรูปเราก็เห็นเครื่องทรง วิธีทำามห่เกิดพระพุทธเจ้าคือทำอย่างไรเราก็ได้ยินอยู่แล้วสาธยายพระสูตรอยู่ทุกวันเราก็ไม่จนเรื่องนี้พระสูตรที่สาธยายเป็นเรื่องของเหานี่อย่าเป็นตกแก่ลงคุณทองอย่าเข้าหั ว, หวออกหัวใ ให้นำมาปฏิบัติจริงๆเวลาไม่ค่ามากใช่แต่เลวินาทีให้รู้เชกตัวอยาเบียดเบียนกับตรงนี้ให้โอกาสกันตรงนี้ให้มากที่สุดขอสนับสนุนตรงนี้ขอให้เป็นส่วนร่วมกับตรงนี้ให้ทุกคนมีแนวร่วมมีส่วนร่วมกันรอทาอะไรให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่ศึกษารื่อนี่ก็ทำลงไป เรงน้ำเรื่องปฟ่องอาหารการเินที่าอาศัยเราก็ทำอยู่อาจารย์ทุ่มนั่งเขียนแปนกติหลังนั่นหลังนี่เพื่อจะสร้างให้มีที่อาศัยอาจารย์หลายรว่นก็ทำน้ำนั่นตัวนี้บางทีก็น้ำแห้งน้าแห้งหาสาเหตุต้องบุกบ่าตางท่น้ำ ตามดมันไหลของตอไหนท่อแตกตรนไหนกไปเจอท่อมันขาดท่อมันหลุดบางทีก็หนูกัดบางต้องตามหามันไม่ใช่แน่น้อยที่นี่ที่สายน้ำสายไปไปตามดินต่ขึ้นดินต้องค้นหาหมกป่าไป ก็ให้ก่ความสะดวกแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนะตอนนั้ขอให้ที่นี่เป็นเวทีเป็นสนามฝึกเตือนนี่พวกเราขออุทิศชีวิตเพื่อการนี้ให้เป็นส่วนทุกๆคนที่มาใช้เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์อย่าไปเก่งอกเก่งใจลังเรื่องสงสัยอะไร นาฬิกาเลือนนี้มันมองไม่เห็นเข็มมันเปลี่ยนนาฬิกาใหม่เลยสมควรเจี๊ยบสมควรเจี๊ยบเลย